ธรรม เ, เรียกว่าเป็นภพประดิษภพประดิษนี้แปลว่าเครื่องป้องกันเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องป้องกันอย่างสูตรแรกเนี่ยนะเมตสูตรหรือที่หลายท่านเรียกว่ากรณียเม so ตสูตรเมตสูตรหรือกรณียเมตสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่เป็นเครื่องป้องกันเนะเป็นเครื่องป้องกันภยัยที่เกิดจากอมนุษย์ทั้งหลายของผู้ที่ไปอยู่ป่าเป็นต้นนะ หรืออยู่ในเมืองเป็นต้นก็าตามถ้าหากว่ารู้สึกว่าทำไมเราถูกเบียดเบียนมากเหลือเกินเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าคนอื่นทำไมสร้างปัญหาให้เรามากเหลือเกิ น, า น, นการสาธยายหรือการระลึกถึงพระสูตรนี้การตรึกถึงพระสูตรนี้บ่อยๆจะทำให้เราเนี่ยมีเมตตา ม, มากขึ้นเมื่อเรามีเมตตา ม, มากเราก็ไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นผู้ที่เบียดเบียน เ, เรา เมื่อเราไม่มีความรู้สึกว่าคนอื่นเบียดเบียนเราด้วยเมตตาเนี่ยนะคนอื่นเขาก็ไม่เบียดเบียนเราจริงๆเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าคนอื่นเบียดเบียนปกติตัวเองก็ชอบเบียดเบียนตัวเองด้วยคนที่เบียดเบียนตัวเองก็ย่อมเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาจะไม่เบียดเบียนตนและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะ จิตก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยในขณะที่เจริญเนี่ยนะกรณีเมตตาสูตรที่เป็นเครื่องป้องกันอย่างสูตรที่สองเนี่ยนะเรียกว่ารัตนสูตรรัตนสูตรนั้นก็เป็นสูตรที่เกิดจากภัยทั้งหลายคือคือในตอนต้นในสมัยพุท ธ, ธากาลเนี่ยมันมีภัยมากภัยเนี่แปลว่าเรื่องที่น่ากลัวเมื่อมีเรื่องที่น่ากลัวเนี่ยนะชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นตื่นตะหนกเมื่อชีวิตตื่นตะนกหวาดระแวงหวั่นผวา ถามว่าทํำยังไงใจไม่ให้มันสะดุ้งไม่ให้จิตใจนี่หวาดผวาพระองค์ก็สอนให้เจริญเนี่ยให้พิจารณารัตนสูตรหรือที่ให้พระอนน์เนี่ยเอารัตนสูตรไปแสดงและพระองค์ก็แสดงรัตนสูตรซ้ําๆกันตั้งเจวันเพราะว่ารัตนสูตรนี้เป็นเครื่องป้องกันเนะเป็นภาพปริษเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องช่วยปกปักรักษาและคุ้มครอง อย่างที่ตอนท้ายก็บอกว่าเอเจเอเตนะสัจวัตเจนะโสทิเตหนตุสัพปทานเนี่ยนะหรือถ้อยถ้อยความตอนท้ายเนี่ยเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเนี่ยนะในในตอนสุดท้ายเขบอกว่าขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้อันนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคําที่พระอนนท์แสดง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 พฤติกรรมมันทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอไนไะก็โดยรวมๆแล้วคนทั้งหลายไม่ค่อยให้กำลังใจตัวเองไนไะคือรู้สึกว่ายิ่งตัวเองไม่มีความสุขเท่าใดยิ่งเหยียบย่ำตัวเองเท่านั้นสังเกตดูนะเวลาเราไม่สบายใจเราเคยให้กำลังใจตัวเองไหมนะยากมีแต่ซ้ำเติมก็เพราะแกง้อ เ, เพราะแกมันเลวเพราะแกไม่ฉลาดเนี่ยเพราะแกทำตัวมาวิบัติก็เลยมีแต่เรียกว่าตำหนิตัวเองติแล้วติอีกเนี่ยเป็นคนช่างติ โดยรวมๆใครที่ติตัวเองเท่าใดให้รู้แต่ว่าเป็นคนช่างติคนอื่นเท่านั้นนะถ้ามีโอกาสก็จะซัดคนอื่นเหมือนกันเพราะตัวเองยังไม่ละเว้นและคนอื่นจะละเวน้นได้อย่างไรพันการเจริญเมตตาการพิจารณาพระสูตรเหล่านี้เนี่ยนะจะทําให้เรารู้จักให้กําลังใจให้เมตตาต่อตัวเองอย่างขณะสมัยใดยเนี่ยนะสมมติว่าร่างกายของเราสมัยใดยที่ร่างกายมันก็ปลกกระเปี้ยมันอ่อนเปลีย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 เป็นพระสูตรที่กล่าวอ้างอิงถึงคุณของพระรัตนตรัยของพระพุทธรัตนะพระพุทธคุณตั้งหลายโดยสังเขปพระธรรมคุณโดยสังเขป พ, พระสังฆคุณโดยสังเขปก็คือคุณของพระรัตนตรัยโดยย่อกล่าวถึงความจริงของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยทรงคุณเหล่านี้นะด้วยการกล่าวสรรเสริญแล้วก็ตั้งสัจจะวาจาที่ได้กล่าวสรรเสริญเนี่ยนะเพราะการกล่าวสรรเสริญพระคุณของ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 ด้วยสัจจวาจาที่มีสัมมาทิฐิเป็นสมุทฐานสัจจวาจาที่มีสัมมาทิฐิเป็นสมุทฐานรู้คุณของพระัตนะไตรรู้คุณของพระัตนะไตรตั้งสัจจวาจาเช่นนี้ก็อธิษฐานความปลอดภัยสวัสดีเคือว่าตั้งเมตตาจิตให้แก่ตัวเองได้นะพันเมตตาเนี่ยนะใครที่จะเจริญเมตตาปกติเราต้องเจริญให้แก่ตัวเองก่อนเป็นลําดับแรกเป็นเบื้องต้น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 ใจที่เป็นเมตาก็จะน้อมไปหาผู้อื่นเท่านั้นผู้อื่นทั้งหลายที่เขาได้รับเมตตาจากเราเขาก็จะมีเมตตาตอบอนะคนเนี่ยโดยทั่วๆไปเราจะเกรงใจคนที่ไม่มีเมตตาต่อตัวเองนะอย่างพ่อแม่เนี่ยทำไมเราจึงไม่จึงเคารพมากจึงเคารพพ่อแม่จึงเอาใจใส่ดูแลเป็นต้นก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่หวังดีเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อเราด้วยความ สุจริญใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะฉั้นถ้าหากว่าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความสุจริญใ จ, จคนอื่นเขาก็จะปรารถนาดีต่อเราเหมือนกันในโลกนี้สิ่งใดที่เราสะท้อนออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวหมดเลยใครว่าถ้าหากว่ามอบช่อดอกไม้ให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ช่อดอกไม้ตอบถ้าให้รอยยิ้มคนอื่นคนอื่นก็ให้รอยยิ้มตอบตรงกันข้ามถ้าด่าคนอื่นนะะน คนอื่นเขาก็ด่าตอบถ้าทําหน้าบึง้งใส่คนอื่นคนอื่นเขาก็เอาบาั่งถ้าให้ปืนกับคนอื่นคนอื่นก็จะคืนบั่งเป็นต้นคือในโลกนี้มันเป็นโลกที่เรียกว่าสะท้อนสิ่งใดออกไปสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเพราะนั้นถ้าหากว่าเราย้อนสะท้อนอะไรสะท้อนกุศลอย่างที่สมาทานไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราเจริญทั้งหมดเนี่ยถ้าจะกล่าวย่อๆสรุปก็คือเป็นการเจริญกุศลกรรมบทตร อ, อย่างการสมาทานศีลก็คือการเจริญสะท้อนว่า เจตนาของเราไม่ฆ่านะสะท้อนว่าเจตนาของเราเนี่ยไม่ฆ่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหมดเราให้ชีวิตให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหมดให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาคู่ครองของคนอื่นทั้งหมดให้คําสัตย์คําจริงต่อผู้อื่นและให้ความไม่ประมาทแก่ผู้อื่นโดยการไม่ดื่มน้าเมาเพราะว่าผู้ที่ดื่มน้าเมาเขาเรียกว่าตกอยู่ในความประมาททําลายทั้งทรัพย์สิน เป็นต้นของผู้อื่นแล้วเราก็มาเจริญอาพิชาเนี่ยนะเจรณาพิชาการเจริญพุทธคุณทั้งหลายเป็นต้นนี้ก็เท่ากับเป็นการเจริญอาภิชาแล้วก็การเจริญเมตตาก็เป็นการเจริญอัปยาบาตเนี่ยนะนะรู้พุทธคุณธรรมคุณสังกคุณการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็เป็นการเจริญสัมมาทิฐิเราทั้งหลายก็เท่ากับสะท้อนย้อนกุศลกรรมบทสิบออกไป กุศลกรรมบท10บเหล่านี้ก็จะหันมาปกป้องคุ้มครองเราเองเนี่ยนะคือโดยธรรมชาติของธรรมธรรมชาติของกุศลธรรมทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนเหมือนเหมือนเวลาฝนตกเนี่ยนะอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้ฝนตกราดรสเนี่ยนะฝนธรรมดานะไม่ใช่ถึงขนาดมหาพายุอะ่ะฝนธรรมดาก็คือร่มสามารถที่จะเครื่องปกป้องคุ้มครองได้ฉันใด ธรรมคือกุศลธรรมทั้งหลายก็จะ ป, ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเหมือนกับร่มใหญ่นนะร่มคําว่าร่มนี่ไม่ใช่หมายถึงไ อ, ไอตัวที่เราชักขึ้นชักออกนะแต่หมายถึงว่าร่มเงาอ่ะ ร, ร่มเงาที่มันดีที่สุดที่จะช่วยคุ้มครองกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองเราทั้งหลายเพรันถ้าหากว่าเราทั้งหลายตั้งอยู่ในการประพฤติสุจริตธรรมประพฤติทั้งกายยสุดจริตวจีสุดจริตและ มโนสุจริตสุดจริตธรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องปกปกักรักษาคุ้มครองให้เราทั้งหลายถึงความสุขสวัสดีถึงความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทีนี้กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นการประพฤติสุดจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจสุจริตธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปอย่างดีของการเจริญสติปัฏฐานนะนะพันถ้าใครที่สุจริตธรรมเหล่านี้ไม่ดีพอ เจริญสติปัะญานก็ไม่บริบูรณ์แน่นอนถ้าหากว่าจะให้สติปะัะญานการเจริญสมถวิปัสนาสัพพอที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างบริบูรณ์สุดเจริตสามต้องบริบูรณ์ถ้าสุดเจริตสามไม่บริบูรณ์ยังไงการบรรลุมรรคผลมีไม่ได้หรือสติปะัะญาเนี่ยนะการเจริญวิปัสนาทั้งหลายนี่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปไม่ได้ถามว่าทาไมเพราะเราไม่ดีพอวางกันเถอะสติปัญญาเนี่ยนะ เป็นรัตนะเป็นอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสสแสวงหามาตลอดเวลาสอสงไขยแสนกับจึงได้ตรัสรู้สติปัฏฐานที่เป็นธรรมนาออกจากทุกข์อย่างที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกโธมนัตเพื่อบรรลุญายาธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทางนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่ เมื่อสติปฐานสี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางที่จะทำให้พ้นโสกปริเทวะดับทุกข์และโทมนตสเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมะที่ดีขนาดนี้เนี่ยนะที่พระองค์บอกว่าพระองค์สแสวงหามาตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับจึงได้พบเกว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่สแสวงหาสติปทานสี่สัมมาปทาน4อิธิบาสสอินรียห้าพละห้พอชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 กว่าจะสแสวงหาพบธรรมะเหล่านี้เกิดจากความบริสุทธิ์เนี่ยนะสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากความบริสุทธิ์ที่พระองค์เนี่ยประพฤติธรรมด้วยความสุดจริตประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตลอดสอสงไยที่พระองค์สร้างบา ร, รมีมาสร้างด้วยความสุจริตเพราะส่วนใดที่เป็นทูตจริตไม่เรียกว่าบา ร, รมีเพราะบา ร, รมีนี่ไม่มีความชั่วแม้แต่นิดเดียวปนอยู่ พันธะบารมีคือทานศีลเนฆามะปัญญาวิรยิยะขันติสาจาัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นสุจริต ธ, ธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีที่พระองค์ประพฤติสั่งสมมานานพอที่จะรองรับการวิจัยเลือกเฟ้นอริยสัจจนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพราะการวิจัยเลือกเฟ้นอริยสัจนั่นแหละก็คือการเจริญสติปัฏฐานเพราะการเจริญสติปัฏฐานนั้น เป็นไปเพื่อบรุญญาธรรมคืออริยมรรคอริยมรรคแทงตลอดอริยศาสตร์นั้นการเจริญสติปัฏฐานก็การวิจัยเลือกเฟ้นเพื่อให้เห็นอริยศาสตร์ทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นการเจริญสุจริต3นี่ถือว่าเป็นบบาตเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติที่เรียกว่าลำดับแห่งการปฏิบัติจะต้องขึ้นต้นด้วยสุจริตกายสุดจิติวจีสุจริตเป็นอธิศีและสิกขามโนสุดจิติเป็นอธิจิตตสิกขา อันนะอานภิชาอัพยาบาศเป็นอธิจิตตสิกขาสัมมาทิฐิเป็นอธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาทั้งทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิที่ประชมแห่งสิกขาสามนั้นถ้าหากว่าสุดจิตเบื้องต้นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติคือสุดจิตธรรมไม่เพียงพอ ก็หวังได้ยากนอกจากทําบุญเรียกว่าอะไรนะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ ถ, ถ้าคิดแค่นี้ก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าคิดว่าเออด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้ศึกษาพระธรรมครั้งนี้นะก็อีกกี่ภพกี่ชาติก็ช่างเถอะขอให้บรรลุมรรคผลก็ใช้ได้แล้วมันจะช้ามจะนานขนาดไหนก็ช่างแต่ถ้าเราหวังความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายถ้าหวังความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมชั้นสูงเท่าใด ฐานชั้นล่างต้องแน่นฉะนั้นก็เหมือนกับอย่ hast, างเรารู้อยู่แล้วว่าการสร้างตึกตึกหลังไหนที่มันร้าวมันมีปัญหาเนี่ยก็คืออะไรก็คือฐานไม่ดีนะที่ลงเสาเข็มเป็นต้นไม่ดีเนี่ยนะเมื่อฐานไม่ดีพวกตึกทั้งหลายก็ราวเนี่ยนะกุฏิหลายๆแห่งที่ตามวัดทั้งหลายที่ไม่สนใจในเรื่องฐานหรือการสร้างโบสถ์หลายๆแห่งที่ฐานไม่ดีโดยมากก็ร้าวเนี่ยนะตึกหลายๆชั้นถ้าลงเสาเข็มเป็นต้นเนี่ยนะฐานไม่มั่นคง ข้างบนโดยมากก็ร้าวฉันใดการเจริญสติปัฏฐานก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันหลายท่านที่ปฏิบัติได้ไม่นานได้ไม่ยาวก็เพราะว่าฐานคือความสุดจริญธรรมของตัวเองนั้นไม่พอหรือเรียกว่ามีความบริสุทธิ์ไม่พ อ, อะนะครับสะอาดไม่พอที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือไม่มีคุณสมบัติพอที่จะปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุจริตสามเนี่ยนะไม่ใช่ว่าใครทําชั่วครั้งเดียวแล้ว ตราบาปเหล่านี้จะต้องติดตัวตลอดไปชําระไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ชําระได้คำว่าชําระได้หมายความว่าชําระใจให้บริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนะแต่ว่าในสภาพธรรมทั้งหลายที่มันเกิดดับสืบเนื่องกันไปกุศลก็คืออกุศลกุศลก็คือกุศลแต่กุศลเป็นเครื่องชําระอกุศลจริงอยู่ถึงว่าก่อนหน้านี้เคยเศร้าหมองเคยแปเปื้อนไปด้วยบาปประธรรมทั้งหลาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็อาศัยกุศลมาชําระล้างได้เพราะความสะอาดไม่สะอาดความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เข้าอะไรเป็นเครื่องวัดเข้าเอาใจเป็นเครื่องวัดถ้าหากว่าบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงก็บริสุทธิ์ได้พระองค์คลิมาเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นนักบาปเดี๋ยนะถ้าองค์ุลิมาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่นักบาปตั้งคาถามว่าทําไมท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะท่านสา ม, มารถชำระจิตของท่านจนบริสุทธิ์ได้ น, นนะพระองค์คุลิมานจึงเป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์คุลิมานจึงไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุ ร, รกายและเดรัจฉานพระองค์คุลิมานจึงพ้นจากวัฏทุกรพ้นจากสังสารทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะพระองค์คุลิมานเนี่ยชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็คือสุจริ 3, สาสติปัฏฐาน4ี่เป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตหรือเป็นเครื่องฝึกเนี่ย น, นะ เป็นเครื่องฝึกฝึกจนถึงความบริสุทธิ์ถ้าฝึกจนบริสุทธิ์ได้ก็พ้นจากทุก์ได้นะนะมันมันเป็นสิ่งที่ชําระได้นะนะเป็นสิ่งที่ชําระได้ให้บริสุทธิ์ได้นะก็เหมือนกับหนี้สินอ่ะนะถามว่าหนี้สินที่เรากู้มายืมไปเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยทำให้มันกู้ได้ใช้คืนได้ไหมทําให้ชําระเรื่องให้ถึงความเป็นอิสระได้ไหมบอกว่าได้ฉันได้บาปประธรำทั้งหลายก็เช่นกับ นี่ศีลบุญกุศลทั้งหลายก็เหมือนกับทรัพย์สินที่สามารถชําระคืนจนถึงความปลอดภัยเนี่ยนะเป็นอิสระชนเป็นเสรีชนเป็นต้นที่สําคัญว่าเราเจริญกุศลเพียงพอที่จะชําระบาปได้ไหมพอที่จะล้างบาปได้ไหมเพราะว่าอารยมรรในพระพุทธศาสนาอารยมรเนี่ยไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระล้างจริงอยู่ตัวสภาพของมรแปดไม่ใช่น้ํา เป็นเครื่องฟอกบาปประธรรมทั้งหลายเพราะสัมมาทิฏฐิฟอกมิจฉาทิฏฐิออกไปชัมระมิจฉาทิฏฐิออกไปสัมมาสังกัปปะชัมระมิจฉาสังกัปปะออกไปเรียกนะว่าชัมระนี่ชัมระบาคือมิจฉาสังกัปปะออกไปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะก็ชัมระมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะออกไป สัมมาสติสัมมาสมาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าสมาธิก็ชําระมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉา ส, ม า, สมาธิออกไปพระกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องชําระบาประธรรมทั้งหลา ย, าลายวันที่สําคัญที่สุดว่ากุศลธรรมเจริญหนาแน่นเพียงพอไหมถ้าหากว่ากุศลธรรมทําไมไม่ค่อยเจริญเลยก็หันมาชําระกุศลกรรมบทเป็นต้น ทีถ้าว่ากุศลกรรมบททำไมไม่ค่อยเจริญหนาแน่นเลย น, นะอย่างเมตสูตรก็เป็นเครื่องชําระอัพพยาบาท น, นะอัพพยาบาทให้มีกําลังยิ่งขึ้นชําระมโนสูตรเจริญให้มีกําลังยิ่งขึ้นรัตนะสูตรก็เป็นเครื่องชําระสัมมาทิฏฐิให้สัมมาทิฏฐิเจริญยิ่งขึ้น น, นะหรือชําระอนัพพิชา อานาพิชาก็เจริญขึ้นเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนถ้ามีการปฏิบัติตามธรรมก็เป็นการปฏิบัติตามสุจริตธรรมทั้งหลายทั้งกายาสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตบนกุศลเครื่องคุณงามความดีเหล่านี้จะช่วยปกปักรักษาเราเนี่ยนะให้เราทั้งหลายเจริญขึ้นเจริญยิ่งขึ้นบุญกุศลเนี่ยท่านบอกว่าเป็นถึงเยอะก็จริงแต่ก็เบาบาปรธรรมทั้งหลายถึงจะน้อยก็จริงแต่กแต็แต่ก็หนัก เพราะว่าอะไรเพราะมันดึงลงบุญกุศลทำให้ลอยขึ้นบาปอากุศลทำให้จมลงเขาบอกว่าบาปประทับทั้งหลายอากุศลรม ท, ทั้งหลายก็เหมือนกับก้อนหินก้อนกรวดถ้าโยนลงไปในน้ำก็อะไรก็จมลงฉันใดบุญกุศลทั้งหลายก็เหมือนกับมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็เหมือนกับเรือเหมือนเรือเหมือนแพเรือแพที่ใหญ่เท่าไหร่มันจมง่ายเท่านั้นใช่ไห ไม่กลับยิ่งลอยขึ้นยิ่งลอยขึ้นอย่างสบายฉันใดบุญกุศลทั้งหลายก็ฉันนั้นฉั้นถ้าเราจเจริญกุศลไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันหนักขึ้นหนักขึ้นทําไมมันรู้สึกหนักใจจังหรือทําไมเรื่องราวทั้งหลายทําให้เราหนักใจจังไม่ค่อยสบายใจเลยเนี่ยทํำยังไงบางเขามาก็แนะนํามาหลายคนแล้วเขาก็ทําตามบั่งไม่ทําตามบ้างบอกว่าคุณอะไรไม่มากฉลาดคิดอะไรไม่เป็นคุณก็เอาเนี่ยรัตานาสูตรเนี่ย ไปอ่านเถอะเดี๋ยวก็สบายใจเองแหละถ้าสบายใจแล้วเรื่องอื่นมันไม่ใช่ปัญหาธรรมะหลายๆเรื่องก็บอกมันยากยากยากก็คุณมันยากทางใจอ่ะเมื่อใจมันยากมันก็ยากหมด่ะทุกเรื่องอะไรเพ่าไอ้เรื่องง่ายๆก็ทําให้มันยากหมดอนะจริงๆนะคนลำบากทางใจเนี่ยเรื่องง่ายมันก็ยากไปทุกเรื่องหมดเมื่อเรื่องไม่ใช่ปัญหาก็สร้างปัญหาเรื่องมู๊มูก็ทําให้มันเป็นคลางเป็นควายไปเรื่อยยิ่งมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จริงมันธรรมะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่งตั้งทําให้ง่ายเปิดเผยทําให้ตื้นมันก็ไม่รู้จะง่ายกว่านี้ยังไงอีกแล้วเนี่ยนะปัญหาว่าที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะทําตามให้มันง่ายคิดให้มันยากมันก็ยากเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะถามว่ายากหรือง่ายจริงอยู่ว่ากว่าจะตรัสรู้เป็นของยากแต่พระพุทธเจ้าก็ทําให้ง่ายแล้วปัญหาที่มันยากอันหนึ่งก็คือไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ถามว่าดูจากอะไร โอ้ยฉันเลื่อมสมากนะแต่ว่าฉันไม่เลื่อมใสไม่ได้ฉันเลื่อมใสมากดูจากอะไรว่าไม่ค่อยเลื่อมใสก็บอกว่าวันวัหนึ่งคุณคิดถึงพระพุทธเจ้ามากหรือคิดถึงคนอื่นมากอ่ะบอกว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมากแต่วันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวบอกว่ารักพระพุทธเจ้ามากเชื่อได้ไหมเขาบอกว่าสมมุติถ้ามีคนอื่นเขาบอกเขายคิดถึงคุณจังเลยบอกสามเดือนคิดครั้งหนึ่งก็เรียกว่าคนคิดถึงกันนะจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรฉันใดก็ดีถ้าหากว่า เรารู้จักพระพุทธเจ้าน้อยคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยคิดถึงหรือระลึกถึงอันเดียวกันเระลึกถึงอันเรียกว่าพุทธานุสติภาษาไทยก็คิดถึงนะนะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆจิตใจโครจรท่องเที่ยวไปในพระคุณของพระองค์ได้บ่อยเท่าไหร่เราก็จะเจริญในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ความสบายใจใจที่เป็นกุศลมันหนักใจหรือสบายใจ มีแต่ความสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญพุทธานุสติได้บ่อยๆเจริญพุทธคุณได้บ่อยเท่าไหร่นะสติ ป, ปัฏฐานเจริญไม่ยากที่สติปัฏฐานเจริญไม่ยากเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเจริญสติปัฏฐานเนี่ย น, นะถ้าเราเข้าใจพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของสติปัฏฐานที่เรียวกว่าธรรมราชาธรรมสามีเนี่ยนะเจ้าของสติปัฏฐานผู้ฉลาดในสติปัฏฐาน ถ้าหาก ว, าว่าเราเข้าใจความคิดของพระองค์เท่าใดเนี่ยนะเราจะเจริญตามพระองค์ไม่ยากที่เจริญยากกับพราะเราไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมพระองค์จึงสอนอย่างนี้ทําไมพระองค์จึงสอนอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจตามที่พระองค์คิดว่าพระพุทธเจ้าคิดยังไงขอคิดตามขอเห็นตามขอรู้ตามแรกๆมันก็ยากหน่อยแต่ว่านานๆเข้าไม่มีปัญหาเลยนะขอให้เชื่อใจพระพุทธเจ้าสักหน่อยแต่ถ้าไม่เชื่อใจพระพุทธเจ้าเลยก็โลกนี้ก็ไม่รู้ว่าใครมันน่าเชื่อบ้าง ขนาดพระพุทธเจ้ายัางไม่เชื่อแล้วก็ก็ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วแต่นี้พูดสำหรับคนที่ยังพอมีศรัทธาอยู่บ้างน่ยนะก็อะไรนะที่ที่พรมบอกว่าคนที่มีทุลีในจักรสูน้อยก็คือคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้า ย, ยังพอมีศรัทธาเหลืออยู่บ้างเนี่ย น, นะหมายความว่าบางคนเนี่ยไม่แน่นถูกหลอกม า, มามากจนเชื่อใครไม่ได้แล้ ว, วก็เหมือนอ่า น, นะถูกหลอกถูกอะไรมาจนจนตัวเองแค่ว่าเป็นคนผวาเลยนะ เขาบอกว่ามีมีบางคนที่โซซัดโซเซขอความช่วยเหลือทั่วไปหมดใช่ไหมเข้าไปที่ไหนเจอแต่พระเพลิงไปหมดเลยเน่ยแม่มันก็หวาดระแวงไปหมดมไม่อีกแล้วมั่งเรียกว่านี้เสือปะจระเข้นี้โน่นปะนี่ทําไมมันมันยิ่งหวาดยิ่งระแวงยิ่งสะดุง้งยิ่งกลัวก็ถ้าอย่างนั้นนี่ก็มันก็เป็นโทษของวัตฏะแล้วล่ะแต่ถ้ายัางพอมีศรัทธาเหลืออยู่บ้างนีนที่น้อยเนี่ยทายังไงให้มันมีกําลังมากขึ้น ประดิษถานอยู่ในภูมิที่มั่นคงที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่าใดศรัทธาเติบโตเท่าใดเขาบอกว่าเครื่องวัดว่าศรัทธาของเราดีหรือไม่ดีเนี่ยดูจากอะไรรู้ไหมศรัทธาเนี่ยเป็นเบื้องต้นของอินทรีย์ทั้งห้าถ้าเราบอกศรัทธาดีศรัทธาถูกต้องในะอินทรีย์ที่เหลือมันจะค่อยๆเจริญขึ้นศรัทธาถ้ามีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็จะ จเจริญขึ้นเนี่ยนะก็วัดจากอินทรีย์ที่เหลือถ้าวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้ามีกำลังเท่าใดก็แสดงว่าศรัทธาดีขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะศรัทธาถูกต้องแต่ถ้าศรัทธาผิดพลาดนี่ก็คื อ, อหนักไปทางความงมงายแล้วก็งมงายนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรซากอย่างจิตใจก็มีแต่ความขุนมัวเหมือนแต่ว่าเชื่อมั่นแต่ว่าหลังเลเนี่นะบางคนก็บอกมั่นใจมากแต่ก็หลังเลในใจเนี่ยนะ มันเรียกว่าคนที่ศึกษาธรรมะไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันมั่นใจในบางส่วนแล้วก็ไม่แน่ใจเป็นบางส่วนความไม่มั่นใจในบางส่วนแล้วก็มั่นใจในบางส่วนหนักๆเข้ามันจะแปลสภาพไปเป็นลัทธิอีกลัทธีหนึ่งลัทธิเขาเรียกว่าเอกัจจสัสตตทิฏฐิมันยืนยันบางอย่างแต่แล้วก็บางอย่างไม่ยืนยันอ่ะนะหนักๆเข้ามันก็จะแปลสภาพไปเป็นพวก เอก จ, จัตสสตทิฏฐิและก็อมาราวิเขปะทิฏฐิก็เป็นลัทธิที่ดิ้นได้เป็นคนที่มีความคิดดิ้นไม่ตายตัวเป็นเป็นเรียกว่าความคิดเป็นปลไหลไปเรื่อยเนี่ยนะเป็นความคิดที่ไม่ยั่งยืนและไม่แน่นอนก็วัดที่คุณภาพของความคิดถ้าความคิดเหล่านั้นก็ไม่เจริญเพราะว่าไม่สามารถจะนําออกจากทุกได้ครั้งหนึ่งเท้ามหาพรหมตอนที่อาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฆ่าแต่พระองค์ผู้ชนะสงคราม ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้ผู้เป็นประดุษนายกองเกวียนข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์โปรดลุกขึ้นแสดงคำเพื่อสงเคราะห์หมู่ชนเถิดเพราะว่าคนที่พอจะรู้ได้เนี่ยมีอยู่นี่มาคิดถึงคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้ผู้ไม่มีหนี้คำว่าหนี้นี่คืออะไรหนี้นี่นภาษาธรรมะมเรียกว่ากามาชันทะหรือความพอใจเนี่ยนะความเพลิดเพลินกับสิ่งใด ตัวความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นหนี้นะเป็นหนี้ถามว่าเราเพลิดเพลินในรูปเขาก็ถือว่าเราเป็นหนี้กับรูปเขาบอกว่าท่านหนี้ในโลกนี้มันต้องจ่ายใช่ไหมจ่ายต้นทุนบวกกับดอกเบี้ยถามว่าหนี้คือตัณหานี่มันจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะจ่ายด้วยความทุกข์เนี่ยนะจ่ายด้วยความทุกข์ถ้าหากว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีนี่คือไม่มีการมาฉันทานิวร์ถามว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งนี่คืออะไรคือรูปทั้งหลายคือรูปเนี่ยเนื่องจากว่ารูปเนี่ยมีความหน้าพอใจอยู่ในตัว เ, นะเมื่อรูปมีความน่าพอใจเนี่ยนะการกู้ทั้งหลายจึงจึงมีขึ้นอย่างที่เราไปกู้กู้เนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นว่ามันน่าพอใจเราจะไม่กู้หรอก เช่นว่าผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนโน่นผ่อนนี่ซื้อนโน้นซื้อนี่ที่ไปกู้นี่ยืมสินทั้งหลายแหละถ้าเราไม่เห็นข้อดีอยู่ในนั้นบ้างมีใครทำหรอกแต่เนื่องจากว่าเห็นข้อดีในสิ่งนั้นบ้างก็เลยทําแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วก็เดือดร้อนนะหลายๆคนที่ไม่มีความสามารถพอก็กลายเป็นผู้ที่เดือดร้อนกวนกวายเพราะนี่ฉันใดในวัฏตะทั้งหลายก็ฉันนั้น คำว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการกู้นี่คืออะไรก็คือรูปประคันทั้งหลายเนี่ยนะรูปประคันทั้งหลายเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการกู้นี่ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยภาษาเนติปกรณเรียกว่าอัศทาะาหรือในในภาษาธรรมะหลายๆแห่งเรียกว่าอัศทะความน่าพอใจเออความเข้าไปพอใจในรูปทั้งหลายการเข้าไปพอใจในรูปนั่นแหละเป็นเป็นนี่พระพุทธเจ้าคือผู้ไม่มีนี่แต่ว่ามูสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ นี่ท่วมเลยนะนี่ท่วมไม่รู้จะไปใช้ตรงไหนก็ไม่รู้นะคนที่นี่ท่วมไปหมดเลยนะแล้วไม่ใช่นี่สะสมมาเขาบอกว่าไม่ใช่เพิ่งกู้วันนี้กู้มาหลายภพหลายชาติแล้วนี่มันก็เลยท่วมมากขนาดนี้จะทำยังไงดีจะชําระนี่ได้ยังไงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีนี่ช่วยเปลื้องด้วยเถินะนะก็คือว่าให้พระพุทธเจ้าผู้ที่ชําระนี่เบ็ดเสร็จเครื่องกันนี่วัตตะนี่วัตตะเขาบอกว่า นี่ในวัตตะเนี่ยนะถ้าเรากู้มากเท่าใดเนี่ยนะถามว่าวิธีใช้นี่ในวัตตะทําไงนรกกับเดรชานเนี่ยเป็นเป็นเครื่องใช้นี่เป็นสถานที่ที่เรียกว่าใช้นี่ของวัตตะเนี่ยนะเช่นว่าจะต้องใช้คืนด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นเดรชานใช้คืนด้วยอะไรบางทีใช้คืนด้วยเลือดบางทีก็ใช้คืนด้วยเนะื้อบางทีก็ใช้คืนด้วยคำว่าตัดอุ้งเท้าอุ้งอะไรไปเนี่ยนะบางทีก็ใช้คืนด้วยส่วนหัวส่วนทั้งหลายแหล่เป็นต้นเนี่ยนะ อันนั้นคือการใช้หนี้ในวัตะนี่เป็นเดรชาดที่ใช้หนี้ก็ไม่เท่าไรแต่ว่านารกเปรตเป็นต้นหนักกว่านั้นเยอะในในนรกเนี่ยใช้หนี้หนักมากอันนี้ก็เป็นหนี้ของวัตตะทั้งหลายนั่นแหละทีนี้หนี้เหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนก็มาจากความเพลิดเพลินในในรูปทั้งหลายนั่นเองไอ้ความเพลิดเพลินในรูปทั้งหลายคือรูปนั้นเนี่ยนะโดยลำพลังตัวมันเองรูปคืออะไร รูปนี้เป็นอัพยากตะธรรมรูปมันก็คือรูปเท่านั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากเข้าไปเกี่ยวข้องบริหารผิดพลาดมันก็เลยนี่ท่วมกลับมาเมื่อ น, นี้ท่วมกลับมาก็ต้องใช้คืนนะครใช้คืนทีนี้ในฐานะที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีนี่ถามว่าคนมีนี้เนี่ยคือคนที่ยิย้มแย้มแจ่มใสมีความสุขหน้าตาบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นต้นไหมรวมๆแลยนะช่วงไีนเครียดมากก็คือนั่นแหละใช่แล้วก็ฉันใดเขาบอกว่าคนที่มีจิต ยึดมั่นผูกพันกับรูปเท่าใดเคยเห็นว่าเขาคือคนที่มีความสุขชที่สุดใช่ไหมคนที่มีใจผูกพันกับรูปเท่าใดก็เท่ากับคนมีนี่เท่านั้นเมื่อมีนี่เท่านั้นแล้วถามว่าเขาเข า, เขามีความสุขจริงหรือบอกไม่ไม่มีความสุขจริงหรอกเพฉะั้นคนที่ยิ่งผูกพันกับรูปเท่าใดนะรูปจะปั่นหัวเขาให้มันเดือดร้อนเท่านั้ น, นนะรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความโศก กระว่าคนมีบุตรก็โศกพ่ะบุตรคนมีโคก็โศกพ่ะโคฉันใดคนที่มีใจผูกพันกับรูปก็โศกเพราะรูปฉันนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่มีก็ก็มีรูปไหนบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกรูปเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเรียกว่าบุตรสามีภริยาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งมวลรูปเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกทั้งหมดไม่ละเว้นแม้แต่สิ่งเดียวนะโสกะปริเทวทุกโทมนัสและ อุปายาตก็ตามมาที่จริงแค่โสกปริเทวะทุกโทมนานัตอุปายาตในปัจจุบันดูแล้วไม่ค่อยหนักหนาสักเท่าไหร่ไม่ไม่น่าจะต้องออกเนี่ยนะเรียกว่าเอออยู่ไปสุข บ, บ้างทุกบ้างกับพระาเค้ากันไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ใช่เท่านี้อสินั้นความเพลิดเพลินติดใจในรูปทั้งหลายมันแค่นับว่าเริ่มต้นแห่งความทุกข์เกี่ยวกัความทุกข์ได้เริ่มขึ้นแล้วนะ เสียงระครังแห่งความทุกข์ก็ดังขึ้นเลยนะความทุกข์ทั้งมวลก็ตามมาเต้นไปหมดเลยเพราะนั้นเราคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงจะพ้นไปจากรูปเพราะรูปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนื่องจากว่ารูปเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินมันน่าพอใจสัตว์ทั้งหลายจึงติดในรูปถ้าอ่นนะเนื่องจากรูปน่าพอใจเนี่ยโวหารของคําว่าสัตว์จึงมีขึ้นเพราะสัตว์แปลว่าผู้ที่มีฉันตราคะติดใจผูกพันในรูปเนี่ยนะ รูอ่าสัตว์นะโดยสัตว์เนี่ยสัตสัตตะเนี่ยนะสัตวะเนี่ยสัตว์เนี่ยโดยสัตว์แปลว่ามีฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ว่าตรงนี้ยกตัวอย่างว่าสัตว์คือใครคือผู้ที่มีใจผูกพันติดข้องกับรูปสังเกตดูใครไปยุ่งกับของของเขาไม่ได้รูปของเขาไม่ได้เลยไปยุ่งไม่ได้เด็ดขาดเลยนะยุ่งกับรูปของเขาเมื่อไหร่ก็โอยถือถือมากเลยนะแม้กระทั่งว่าถือภายในก็ถือมากถือของภายนอกก็ ยึดถือเนี่ยยึดถือเต็มที่ยึดถือขนาดไหนยึดถือถึงขนาดว่าพอพูดคําว่าเสียหายเมื่อไหรใจก็เดือดร้อนแม้กระทั่งว่ารูปภายในเสียหายเมื่อใดเนี่ยนะยิ่งเดือดร้อนใจเท่านั้นเพราะใจมันมันมีความผูกพันติดข้องอยู่ในรูปแต่ก็หวังว่าเขาก็คิดในใจลึกๆว่าเออรูปมันน่าจะให้ความสุขโสมนัสกลับมาบ้างน่าจะให้ความสุขสวัสดีมาจากรูปบ้าง อันนั้นก็หวังแต่ก็ค่อนข้างหวังลมๆมลแรงแรงแกเรียกว่าหวังแกเรียกว่าห ว, วังน้ําฝนในหน้าแรงเนี่ยนะ ก, ก็ยากฉะ น, นั้นเพราะรูปทั้งหลายมีรูปไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตพาะะ่านความคิดที่เพลิดเพลินในรูปทั้งหลายนี่แหละเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในวัตตะเป็นข้อปฏิบัติที่เฝ้าวัตตะเป็นข้อปฏิบัติที่ จมอยู่กับกองทุกข์เพราะมองเห็นแต่รูปในด้านที่มันน่าเพลิดเพลินแต่จริงๆแล้วรูปเนี่ยมีความน่าเพลิดเพลินไม่มากเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเห็นสวนดอกไม้ทุกคนเห็นแล้วบอกฟูชอบมากดอกไม้นั่นก็สวยดอกนี้ก็สวย น, นะยกสวนเหล่านี้ให้คุณบำรุงแต่เพียงผู้เดียวแล้วต้องรักษาความสวยเหล่านี้ตลอดไปถามว่าน่าสนใจไหมโอ้ยสวนกุหลาบเนี่ยนะเป็นร้อยไร่เนี่ยดูสวยมากเนี่ยนะ เขาบอกว่านับตั้งแต่พอเขาดูแลให้สวยที่สุดนะบอกเอาต่อไปมอบภาระอันนี้ให้ดูแลให้ดูแลสวนกุหลาบแต่รถน้ำพลูนดินคนเดียวหมดนะทำไมให้ทําให้ไม่ให้ใครช่วยทั้งหมดให้ดูแลคนเดียวทั้งหมดเนี่ยนะถามว่ามันจะมีความสุขไหมเขาบอกว่าตอนที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะเราจะเห็นแต่เฉพาะความสวยแต่ถ้าเราในฐานะผู้บริหารดูแลปั๊บจะเห็นแต่ข้อเสียหายอ่ะนะไหนน้าไหนปุย๋ยไหนลมไหนโอ้สารพัด ท, ทั้งหลายทุกทั้งหลายก็จะตามมา ตอนแรกสุขทั้งนั้นเนี่ยนะตอนหลังมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยออกก็ไม่ได้มันสวยนะออกเธอออกเธอบอกออกไม่ได้เพราะมันสวยไอ้อยู่ต่อไปก็โอนอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันทุกข์มันทุกข์ ม, ม, yun, มันทุกข์มันมีภาระเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินงั้นก็ออกสิบอกอองให้ได้เนี่ยเพราะมันยังดูดีนะทั้งกันมันก็อย่างงี้แหละในโลกของรูปทั้งหลายก็มีแต่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าพออยู่กับรูปก็ทุกข์เพราะรูปจะให้ออกก็เห็นแต่่ดด้านนนีีเยะ ไอ้ตอนอยู่ก็บ่นอีกแล้วทุกข์อีกแล้วมันเหมือนกับอย่างที่เขาเข้าบ่นแม้กระทั่งยกตัวอย่างเรื่องครอบครัวเนี่ยนะเขามีบริษัทที่รับปรึกษาปัญหาครอบครัวทั้งหลายเขาบอกพออยู่ด้วยกันไปก็เห็นแต่โทษของอีกฝ่ายหนึ่งอู้ยเลวร้ายเหลือเกินอย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยอยู่ด้วยไม่ได้แล้วก็บ่นมาหาคนบ่นให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วในที่สุดบอกเอ้างั้นคุณก็ก็จากกันไปเถอะก็แยกกันอยู่ซี่โอไม่ได้เขาก็มีดีทั้งหลายอย่างหนึ่งสองสามยู่ด้วยาเสร็จแล้วมาอยู่ด วุณคุณก็อยู่ไปทำไมอ่ะไม่ได้เขาก็ดีตั้งหลายอย่างหนะึ่งัองสามสี่ห้าคือไอจะให้ออกก็บอกเห็นด้านดีไอจะให้อยู่ก็เห็นด้านร้ายมันก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงเนี่ยนะคือนีคือปกติของของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้จริงๆ